เป็นพรเปนเนรถ้ ม, มันมีความอยากมันมีกิเลสเนี่ยมันก็จะมีความอยากความต้องการความอยากความต้องการอยู่ในใจนะเวลาใจมันอยากก็พูดออกมาเป็นคําพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดของคนเราเนี่ยมันออกมาจากจิตนะจิตมันปรุงก่อนมันพูดขึ้นมาในจิตซะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีสติสติเนี่ย มันจะควบคุมจิตไว้รักษาจิตไว้เนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันไม่พูดอะไรเพราะมันเงียบมันเงียบมันคอยฟังคอยฟังเสียงธรรมะเสียงธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะบอกวิธีให้สติของเราเนี่ยรักษาใจ ให้รู้วิธีสร้างสติขึ้นมาซะก่อนให้เราเนี่ยมีความพยายามมีความอดทนจเจริญสติมีคนมาถามว่าถ้าจะเริ่มปฏิบัติทำยังไงบอกว่าต้องเริ่มโดยสติพอพุทธเจ้าสอนให้มีสติถ้าฟังอย่างเดียวขาดสตินี่มันก็ไม่ได้ผลฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลได้ผลก็สงบเล็กๆน้อยๆไป แต่ถ้าหาว่าเราเอาไปปฏิบัติตามพยายามมีสติสติตัวนี้มันจะไปควบคุมจิตที่แรกเนี่ยไอจิตเนี่ยมันเคยชินกับความคิดมันจะคิดไปทางนั้นคิดไปทางนี้โอ้เรื่องมันเยอะเลยนะอ่ถึงได้พูดว่าพ่อหลานก็คิดไม่ใช่ท่านไม่คิดนะบางทีมันก็คิดแต่ว่าท่านคิดแล้วท่านก็รู้ว่ามันเป็นแค่ความคิดอ่ะมันไม่ได้ไปยึด ไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปยึดมันไม่ได้ไปคิดว่ามันเป็นเราเนี่ยคิดถึงเรื่องคนนั้นบางเรื่องคนนี้บางแล้วแต่มันจะไปเกี่ยวข้องหรือบางทีอดีตก็มีแต่คิดอดีตแต่ว่ามันเป็นปัจจุบันเพราะท่านรู้อยู่ว่าเออนี่เป็นความคิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็มีบางทีมันมันมาเฉยเฉยมันมาเฉยเฉยเนี่ยถึงได้ว่าไอไอความเคยชินภายในจิตเนี่ย มันมาในรูปของความคิดด้วยเนี่ยเพราะนั้นกรรมเนี่ยมันจึงมันจึงเกิดขึ้นในจิตเนี่ยบางคนเนี่ยขี้งูหิดงูหิดง่ายพอเดียวสักประเดี๋ยก็งูหิดขึ้นมาแล้วบางทีนึกถึงคนที่ไม่ชอบใจก็งุ่นหิดอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเกา่าถ้าเรารู้ว่าเป็นกรรมเกา่าเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมนะันอ่ะเออปล่อยให้มันคิดไปสิคิดแล้วก็ดับไปคิดเรื่องของจิตจิตเป็นธรรมชาติต้องนึกต้องคิดปรุงแต่งอารมณ์ ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแบกความคิดไว้ไปกังวลกับความรู้สึกของตัวเองอเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลงานของจิตไอจิตที่มันเคยสั่งสมมาสั่งสมกรรมมากลับมาเป็นคุณภาพของจิตเราเนี่ยไอกรรมที่เราทานั่นอ่ะมันมาเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็มาเป็นคุณภาพของจิตเราเองอเมื่อเราทำมาเอง มันก็มาแสดงผลในปัจจุบันที่เราสะสมไว้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติเนะี่ยมันมาเป็นเราในปัจจุบันนี้ไม่ว่ากายลูกหรือว่านา้ำเนี่ยทั้งลูกทั้งนามมันมาเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วก็มีคุณภาพกายอย่างที่มันเป็นนี้มีคุณภาพจิตอย่างที่มันเป็นอยู่นี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อาศัยอาหาร ยาสายธาตุต่างๆข้างนอกเอามาหล่อเลี้ยงก็มีอดีตกับปัจจุบันด้วยเพราะนั้นละปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําให้มันถูกต้องถูกต้องเหมาะสมเหมาะควรส่วนอดีตเรารู้ทันแล้วก็วางปล่อยวางเราห้ามปรา ม, มันไม่ได้แต่ว่าให้มีสติรู้ถ้าเราขาดสติเนี่ยมันจะเผลอไปยึดว่าเป็นเราเนี่ยไอย้จิตเรานี่มันหลงนะมันหลงว่าเป็นเรามานานมากเลยนะ ที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่เป็นเพราะเราหลงยึดว่าเป็นเราเราทำำํากรรมดีก็เราทําดีเนี่ยมันมันมันดีก็มาเป็นเราแล้วเนี่ยเราทําไม่ดีก็เป็นเราเราเป็นทั้งดีแล้วก็เราไม่ดีอยู่ด้วยกันเลยบางทีก็เป็น ก, ากลางๆงอยู่ระหว่างาไม่ไม่แน่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีมันอยู่กลางๆงก็เป็นเราอีก บางทีใจสงบมันก็มีเราผู้สงบมันมีเราอยู่ตลอดเลยพอมีเราอย่างนี้มันก็เลยกรรมเหล่านั้นก็เลยเข้ามาสั่งสมไว้ในจิตเราถ้าไม่มีเราอย่างพระละหันอย่างนี้ไม่เก็บนะทำไปแล้วแล้วไปคิดแล้วแล้วไปมันพอใจก็มีแต่ว่ามันท่าไม่ยึดมันมันก็ดับไปมันไม่ได้มีอะไรมันก็ว่างเปล่ามันเหมือนกับว่าอ๋อมันก็ผ่านไปอย่างนั้นเองบางทีก็กระทบอารมณ์ที่ถูกใจก็มี มันเป็นที่ถูกใจมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมควรทําคนนี้เออเขาทําดีเขาทําตามความเหมาะสมเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนที่เป็นกรรมดีนะบางทีก็อันนี้ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะยังขืนทําอยู่เนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้เนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีกระทบเข้ามาแต่ท่านไม่ยึดเฉย เกี่ยวข้องยังไงแล้วก็แล้วไปเกี่ยวข้องยังไงแล้วแล้วไปมันไม่มีคําว่ารักหรือชังแต่มันอยู่ที่ว่าความเหมาะสมความพอดีเนี่ยว่าเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าโทษโทษมันไม่มีหรือโทษมีน้อยที่สุดถ้ามันจะมีก็ใน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีเราแล้วเนี่ยเราต้องมีสติทีนี้ให้รู้ทันความนึกความคิดของเราแต่ว่าไม่ใช่มันจะทันตลอดนะมันต้องมีเผลอ เพราะอะไรเพราะว่าเรายังยังไม่ใช่พราหานสติเรายังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าคิดไปเผอไปเราต้องรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของเราเองเนี่ยหรือรู้ไปต่อไปธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เดี๋ยวนึกไปทางนั้นนึกไปทางนีงเงนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดแล้วก็ถ้าเราวางใจได้เออเป็นแค่ความคิดมันก็จบไป บางทีก็คิดไม่ดีก็มีบางคนเนี่ยปฏิบัติทมแล้วก็มามาบอกนะนก็มาปรึกษาเราในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรก็ปฏิบัติมานานเหมือนกันนะท่าอาจารย์ทำไมอะ่ะปฏิบัติไปแล้ว่โอ้ยมันคิดเป็นอกุศลทางนั้นเลยเขาอ่ะเราบอกเออเป็นธรรมดานะให้รู้ทันอย่าไปคิดว่าเป็นเราก็แล้วกันมันคิดไม่ดีก็รู้ มันคิดดีกว่ารู้ดีไม่ดีมันก็เราก็ได้สติเนี่ยเราอยากคิดแต่สิ่งที่ดีๆพอสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็เป็นทุกข์นี่ไม่สบายใจมันคิดดีๆกว่าไปยึดว่าเราดีจริงๆมันยังไม่ได้ดีซ้ําเป็นแค่ความคิดแล้วก็สรุปเราเองว่าสรุปว่าเราดีพอมีโอกาสเท่านั้นแหละโอ้โหตัวตนมันขึ้นนะอกุศลมันขึ้นมาเนี่ย มันก็เป็นได้อีกมันไม่แน่นอนทีนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดีจริงเพราะกิเลสเรายังมีอยู่มีอยู่เมื่อไหร่มันก็ต้องแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นก็คือพยายามมีสติเไว้รู้ตัวไว้รู้ตัวเนี่ยมันจะไปควบคุมจิตทีนี้การรู้ตัวเนี่ยบางทีดูเฉยเฉยมันดูไม่ได้เพราะจิตมันเร็วสติเราอ่อน คนที่สติอ่อนเนี่ยมันจึงต้องบริกรรมหรือต้องไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธทองนึกพุทโธก็ได้หรือพองน้อยยุบน้องก็ได้หรือลมเข้าฮุดลมออกโทก็ได้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ก็ได้อันนี้คือให้จิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันแนวแน่ซะก่อนให้มันมีกำลังซะก่อนบางองคก็เพ่งเลยนะเพ่งส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยจี้ไปตอง เล็บบางผมบางขนบางเนี่ยมันถึงแตกต่างกันก็เพราะว่าต้องการให้มีสติควบคุมจิตไว้ให้มันแนวเนื้อสะกอนให้มันมีสมาธิสะกอนให้สติมีกำลังสะกอนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันจริงรูปแบบหรือว่าวิธีการไม่แตกต่างกันเสียเวลาที่จะไปถกเถียงกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนา เบื้องต้นทัศสติยังไม่มีกำลังอ่ะมันเป็นวิบัตินาไปไม่ได้ถึงจะมาบอกว่าวิธีการ่ะมันเป็นวิปัสินาแต่ไม่ใช่เพราะว่าสติเนี่ยมันยังอ่อน ก, กำลังสมาธิมันยังไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเจริญสติแล้วก็รักษาใจไว้เนี่ยรู้เท่าทานจิตใจของเรานี่หลักอันนี้มันเป็นมันเป็นกลางๆมันง่ายดีใครก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้ วิธีไหนก็ได้ทีนี้ถ้าหาว่าสติเนี่ยมันมันควบคุมจิตให้แน่วแนว่ให้อยู่กับตัวเองได้นานขึ้นนานขึ้นมันก็จะมีสมาธิขึ้นมาแต่มีบางคนแทนที่จะไปควบคุมจิตเนี่ยบางทีนึกขึ้นมาเฉยๆว่าเออชีวิตของเราเนี่ยสุดท้ายต้องตายไปมันไปรับเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือรับเอาความจริงว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันตายจริงใจมันเนี่ยมันไม่อยากดิด้นหลนอ่ะแต่ก่อนมันมันเหมือนกับคนลืมตายอ่ะใจดิ้นหล่นกวาดแกงโอ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยคนเราอยู่ไม่นานหรอกตอนนี้อายุก็มากแล้วเนี่ยจะคิดไปอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่เคยรู้เลยเลยว่าตัวเองจะตายอ่ะ ย้ำให้จิตมันยอมรับโอ้จิตบางทีมันกําลังคิดคิดอยู่ดีๆเนี่ยมันหดเลยนะบอกโอ้โหหลงไปคิดเรื่องอื่นมากมายที่แท้ตัวเองก็ต้องตายอะ่ะแล้วจะไปคิดอะไรนักหนามันก็หยุดได้นะเนี่ยมันก็เบาลงไปอะ่ะไปก็ยิ่งสำทับเข้าไปตายเนี่ยเนี่ยเอาคิดเรื่องความตายซะเลยโห อ, อีกไม่นานหรอกนี่อายุก็มากแล้วเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อายุเฉลี่ยก็เจ็ดสิบห้าปี เนี่ยถ้าพุทธเจ้าก็แปดสิบปเนี่ยหรือว่าคนไหนอายุมากมก็น้อยที่จะถึงเก้าสิบเดี๋ยวนี้แบโหโหน้อยที่สุดเลยถ้าถึงจะถึงร้อยปีเนี่ยเราเองอ่ะมันอีกกี่ปีเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหแป๊บเดียวชีวิตของเราเนี่ยมันก็ป่านนี้แล้วขนาดนี้แล้วทีนี้จิตมันที่มันเคยดิ้นรนมันไม่อยากดิ้นรนที่เคยมันไปตำหนี้คนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้มันก็อยากหยุดนะที่นี้ เออเขาก็ตายเราก็ตายเสียเวลาเปล่าแล้วมันอยากไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยมันก็เกินไปตัวเองจะตายอยู่แท้ยังงมัวจะไปยุ่งเรื่องอื่นๆอยู่อ่ะให้เสียเวลา อ, อพอมันรู้อย่างเงี้ยเรื่องอื่นๆมันก็อยากวางแล้วนะที่นี่เออเ อ, อรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็มีกรรมของเราอ่ะเนี่ย ที่ชีวิตของเราดำเนินมาได้ขนาดนี้เราก็เคยสร้างสมกรร ม, มาเนี่ยเราก็ต้องดำเนินไปตามกรรมของเราต้อง อ, อกแกว่าเราปฏิบัติจนมันอยู่เนือกรรมคนอื่นก็มีกรรมของเขาเราเกี่ยวข้องกับเขาให้มันถูกต้องเสียเกี่ยวข้องว่าเราควรเกี่ยวข้องยังไงส่วนเขาเป็นยังไงในเรื่องของกรรมกรรมของเขามันจะวางนที่นีออ่มันจะวาง ทีนี้มันก็สงบในจิตของเรามันไม่อยากไปยุ่งกับอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยมันเบาลงไปคิดแบบนี้คิดตรงกับความจริงมันก็สงบได้มันก็วางได้เนี่ยทีนี้มันจะคิดเรื่องอะไรอ่ะคิดเรื่องสัตว์สัตว์ก็ตายไม่มีเหลืออคิดเรื่องสิ่งของเหรอมันก็ชำรุดสูดมไปเหมือนกันแต่กลับลืมยากว่าเราตายไปเนี่ย มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปดิ้นรนอะไรกันนั่นมันก็มีโยมคนหนึ่งเนี่ยอยู่แถวบ้านมะนาวนี่ละแต่ก่อนเราสร้างวัดใหม่เนี่ยหมู่บ้านแถวเนี่ยบ้านกบตูมบ้านมะนาวเนี่ยโอ้โหเข้ามาช่วยขวนไม้เนาะมาช่วยพัฒนาสมัยนั้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเราก็ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนะมันเขามาแต่บาทเปล่าๆนี่ละแต่มาถึงแล้วเราก็ปฏิบททัติธรรมภาวนาไป ต่อมาเนี่ยคนเขามีศรัทธาเขาก็มาหาไม้เลื่อยไม้บ้างอะไรบ้างก็มีโยมเขามีเงินมีทองก็มาพวกไปเลื่อยก็ให้รางวัลค่าเลื่อยพวกมาข น, มนก็มาขนกันกับเงินที่มีอยู่ก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารมาทําอาหารเลี้ยงกันเนี่ยถ้ามีของก็แจกไม่มีเขาก็มาช่วยทีนี้ ต่อมาแกนานเข้าแกก็ป่วยเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องแกป่วยที่อยู่ดีๆกัาญาติเขาขึ้นมาหาไม่รู้เป็นยังไงบางคนป่วยอ่ะบางทีก็สลบไปนานแต่ก็ฟื้นมาทุกครั้งเลยตัวนี่เริ่มเป็นแผลมีกลิ่นแล้วเขาก็รู้สึกว่าพยาบาลกันไม่ไหวแล้ว พอถ้าแกไปได้ก็จะดีเพราะสงสารแกเจ็บเป็นแผลไปหมดแล้วตามหลังแกคนก็ต้องคอยดูแลช่วยพลิกช่วยอะไรก็เลยเอาแกไปเยี่ยมแกไปเยี่ยมคนเนี่ยบางทีจิตมันมั น, ม, นมันฝืนได้นะบางทีนะมันไม่อยากตายอะ่ะคนไม่อยากตายกําลังจิตมันมากๆเนี่ยมันก็ไม่ตายนะอ่า นี้ก็ไปไปก็เลยไปไปบอกแกนะไปก็พูดให้ให้ให้แกมีพูดให้แกมีกำลังใจอะ่ะบอกว่านี่เนี่ยโยมนะดีเนะี่ยมีพระมาเยี่ยมเนี่ยแสดงเป็นคนมีบุญนะมึงก็ญาติโยมที่มานี่ละ่ะมาวัดเนี่ยก็แสดงว่ามีบุญเนี่ยมีบุญก็ต้องทําจิตให้มันตื่นด้วยถ้าว่ามันมันหลับมันหลับเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่า เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้มันตื่นตัวให้จิตเนี่ยมันมีสติสติเนี่ยให้มันมันมันมันรู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยสติมันตื่นขึ้นมาอย่างนี้แก okay, ก็นอนป่วยอยู่นะนอนป่วยเข้าไปนี่ใกล้ๆกละโอกินก็เหม็นจริงๆนะแต่ก็ฝืนฝืนเข้าไปนะมันเป็นหน้าที่ของเราอะไปถึงก็เอายมยมนี่มีบุญน ะ, ะมีพระมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วยมนี่ก็เคยไปพัฒนาวัดด้วย นี่เคยไปสร้างวัดสร้างวาด้วยให้โยมและลึกถึงบุญถึงคุณงามความดีนะโงโกก่แกดีใจเบิกบานขึ้นมาหน่อยนะแล้วนี่โยมจำไว้ให้ดีนะไม่ว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเนี่ยโยมเอาไปไม่ได้เนอะโยมอย่าไปอาลัยอาวรณ์มันนะลูกหลานเนี่ยเขาก็มีกรรมเป็นของของตนนะเนี่ย โยมก็เอาเขาไปไม่ได้เขาก็เอาโยมไปไม่ได้ถึงเวลาต้องพัดภากจากกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรอาวรณ์สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยโยมต้องทําใจของโยมเนี่ยตั้งสติขึ้นมาโยมก็เคยภาวนาใช่ไหมแกบอกว่าใช่ต้องพยายามทําสติดีๆนะให้จิตเราเนี่ยมามารู้รู้ด้วยไอ้ไอ้ร่างกายเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บป่วยเนี่ยเอาไปได้ไหมถ้า ม, มันเอาไปไม่ได้ต้องวางมันนะ อย่าไปยึดว่าเป็นของเราเนะเนี่ยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยเนี่ยนี่แหละรูปประขันเนี่ยนี่แหละเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงร่างกายเนี่ยเขาเรียกรูก ป, ประขันหมายว่ารูปหลายๆรูปมารวมกันเนี่ยแล้วก็เลยเป็นร่างกายขึ้นมาขันไปนว่ากองกองแห่งรูปรูปมารวมกันเนี่ยธรรมชาติของรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องแตกดับสลายไป เพราะมันหลายๆ ล, ลูกมันรวมกันสุดท้ายมันต้องแตกสลายออกไปแยกย้ายกันไปมันไม่ใช่ของเราเนอะืมจิตใจมันก็ไปตามกรรมนะอย่าไปหลงยึดแม้กระทั่งจิตใจเลยนะเราระลึกถึงกรรมดีพอแล้วอืมอย่างน้อยก็มันทําให้จิตใจเราเบิกบานเพราะเราเคยทํามาหมดแล้วเนี่ยแดี๋ยวยกมือขึ้นดินี่เ ย, ยกมือขึ้นอธิบายให้ฟัง เอามันเจ็บมันปวดก็เป็นเรื่องร่างกายนะอย่าให้จิตกังวลนะอย่าให้จิตวันไหวนะเนี่ยจี้เข้าไปนะเก๋ก็ตั้งใจฟังนะพะนมมือฟังทีนี่หน้าตาก็มีสีสันขึ้นมานี่พูดธรรมะให้ฟังจบเรียบร้อยแล้วก็อัตมากับนะให้ศีลให้พรกลับมาวัดได้สองวันเขามาบอกข่าวว่าตายแล้วอตายแบบสงบเงียบ หมายความว่าจิตใจเขาดีขึ้นมาใจมันไม่อะไรอาวอนเนี่ยมันก็เลยไปไปแล้วก็ไปด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ของเราเนี่ยใจปล่อยวางได้เมื่อวันซืนอเขามีโยมมาอีกอะแกก็มาถามบอกว่าถ้าหาว่าใกล้จะตายเนี่ยแกควรจะทํำยังไงแกว่าเอาแล้วแล้วโยม เคยได้ยินได้ฟังมาว่ายังไงเราก็ถามคืนไรนะก็มีคนบางคนก่อนเน้นำว่าให้ท่องขุโธแล้วบางคนก็ให้คิดถึงสิ่งดีๆนะว่าเนื้ออันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันอนุบาล น, นะนะว่าถ้าหากว่าจะให้ดีเนี่ยมันต้องให้รู้เลยว่าไม่ใช่ของเราทิ้งเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเวทนานี่ยมันเป็นเราไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ร่างกาย จิตใจเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอันนึงพอพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าจิตใจคือธรรมชาติที่นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์เป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อารมณ์มันรู้อารมณ์แล้วก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์มันจึงน้อมไปสู่อารมณ์มันต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องยูเนี่ยถ้าว่าทำได้อย่างนี้ไม่ยึดอะไรเลยทิ้งเลยไม่ให้มันยึดอะไรอันนี้ถ้าเคยฝึกสติมาสติจะดีมาก สติดีแล้วมันจะควบคุมจิตได้อากุศลจะเข้ามาในจิตไม่ได้ถ้าหาว่ามันเข้าใจแจ้งชัดมันมีกำลังพอเนี่ยบรรลุธรรมได้เป็นมัสโสดาบันสกิทาคามีนาคามีหรือเป็นพอหลานก็ได้ด้วยก็อธิบายให้แกฟังนะก็รู้สึกว่าเออเข้าใจวันหลังมาฟังทมบางอะไรบางหน้าตาก็เบิกบานขึ้นมาแต่ก่อนหน้าตานี่มันก็เหมือนคนมีความคิด มีความกลัวมีความกังวลแต่พอจิตใจมันรู้แล้วมันเห็นแล้วสติมันควบคุมจิตได้แล้วมันวางได้ระดับหนึ่งแล้วจิตมันก็สบายขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีอคนหนึ่งอันนี้อยู่ว่านของตูมแกป่วยเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาไม่รับแต่ก็กลับมาก็ตั้งใจว่ามาหาสมุนไพรท่านเนี่ย เอเราก็รู้สึกว่าเออแกไม่หลอดแน่ๆนแล้วแต่แกก็เป็นคนที่เคยใส่บาตรเคยช่วยวัดช่วยวาก็เลยตั้งใจไปเยี่ยมสมัยนั้นก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยหามอเตอร์ไซค์แถวหน้าวัดนี่แหละเข้าไปนาในหมู่บ้านห่างเจดกิโลนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยไปเย็นเย็นก็ไปพูดทำให้แกฟังนคนตายแล้วไปไหน เล่าเรื่องว่ามีพระเจ้าแผ่นดินมีมาเหสีนะรักมากแล้วมเหสีก็สวรรคตก็ลร้องให้ยังร้องให้คิดถึงอยู่ตลอดเลยไม่ให้เขาเอาไปเผาเก็บไว้ใต้เตียงกลางคืนมาก็เอาลงแก้วออกมาแล้วก็มาดูแล้วก็ร้องให้กลางวันมาก็ไปว่าราชการบ้างอะไรบ้างก็หายไป ก็ออยังชั่วหน่อยพอกลับมาอยู่คนเดียวมันเหงานน่คนเคยอยู่ด้วยกันร้องไห้อีกจนกระทั่งปีหนึ่งเต็มๆแล้วพระเจ้าเสด็จมาเมืองนั้นก็เลยอยากจะถามพระพุทธเจ้าว่าเมเหสีของตัวเองไปไหนอยากตั้งใจจะถามพอพระเจ้าเสด็จมาก็อัญเชิญพระองค์มาสเสวยพระกัญญาหารในสานักพระราชวางังเสร็จแล้วก็ทูลถามว่าเนี่ยพระองค์อ่ะรักห่วงใยมเหสีมาก รองโหมร้องไห้ทุกวันเลยเราอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าก็อยากรู้เหรออยากรู้ก็เจ้าค้าเน่ยพระพุทธเจ้าก็เลยอาศัยอานุภาพของพระองค์ก็มีแมงคุจีนะเดินปุ๊บปับปุ๊บปบมาตัวใหญ่ๆตัวเมียเดินเดินนําหน้าตัวผู้เดินตามหลังนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เลย ถามถามมงกุจีว่าเธอเป็นใครอ๋อชาติที่แล้วเนี่ยก็เป็นมเหสีของเนี่ยพระเจ้าเป็นดินพระอง์นี้ละ่ะแล้วใครเดินตามมาเนี่ยของอันนี้เป็นสามีใหม่ของดิฉันในชาตินี้เธอคิดถึงพระราชาบ้างไหมโอจะไปคิดถึงทำไมฉันมีความสุขกับสามีใหม่ของฉันน่ะทุกวันคืนอาหารก็สะดวกสบาย มันมีอยู่แล้วถึงเวลาก็ไปหากินได้เลยเนี่ยอิ่มน้ำสํารานทุกวันเนี่ยมันพอใจในในในในภพชาติของตัวเองนะตามธรรมดารนี่เหมือนเราพอใจความเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างเนี้ยฮะบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาคิดว่าเทวดาจะมีความสุขก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีถ้าเหตุมันพร้อมถ้ากรรมมันมันดีเนี่ยพระเจ้าเพินิจก็หาเอาศพไปทิ้ง ก็แล้วก็อธิบายให้แก่ฟังว่าเนี่ยคนตายแล้วมันไปเกิดเกิดดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมของเขาะส่วนโยมเนี่ยเออเคยทาบุญนะอืเคยช่วยวัดช่วยวานะออย่าไปกลัวนะแล้วมันไปเกิดใหม่อย่าไปกลัวความตายนะสอนแกแล้วก็เล่าว่าเออบางคนก็ทําบุญสุนทานแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ก็มีเแกก็รู้สึกว่าไม่กลัวตายใจเข้มแข็งขึ้นมาแล้วอ พอใจแก่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความตายอธิบายให้แกฟังว่าเออหพยายามมีสตินะเนี่ยเอาจิตให้อยู่ถ้ามันอยู่แล้วก็สอนมันบ้างมันร่างกายไม่ใช่ของเรานะแ่รับได้ไม่ได้แค่ไหนก็ไม่รู้แต่จิตรู้สึกว่าแกยังรับไม่ได้ก็ให้แกท่องหุ่โธไว้ไม่ให้มันเศร้าหมองแต่ทีนี้ต่อมาอีก สีห้าวันแกก็ตายตอนที่ตายแล้วเนี่ย ก, ก็ถามสามีแกว่าก่อนจะตายเนี่ยมันมีอะไรไหมที่มันรู้สึกว่าเป็นเป็นมันมีอะไรที่มันมันแปลกไหมเราอยากรู้ว่าก่อนคนจะตายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกเออมันมีอันนึง่งเขาะนอนด้วยกันเนี่ยคือแรกก่อนจะตายอ่ย สามคืนคืนแรกเนี่ยมันตื่นขึ้นมาประมาณดึกๆนะึกเนตื่นขึ้นมาแล้วมันก็สะกิดผมแล้วก็ถามว่าเนี่ยถ้าค่อยตายแล้วเนี่ยเจ้าไม่แต่งงานได้ไหมวะก็ผมก็ไม่ตอบว่ไอ้ น, นี่คือลังเลล่ะตอบแล้ว ก, ก็กลัวทำไม่ได้ออเพราะคนดูคนป่วยอยู่นี่นะมันอาจจะคิดไว้ในใจเราตายเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหาใหม่ก็ไม่กล้าตอบ นิ่งไปแล้วก็เขาก็หลับไปต่างคนต่างนอนหลับไปเฉยๆนะวันที่สองเวลาเดิมนั่นแหละตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามอีกนี่คือความยึดเนี่ยตายแล้วยังมาห่วงยังมาห่วงว่าเจ้าไม่แต่งงานได้ไหมอยากให้อยู่กับลูกชายลูกชายก็ยังเล็กอยู่เขาก็ไม่ตอบอีกพอวันที่สามถามอีก ไอ้นี่ก็ว่าเออถ้ากูไม่ตอบมันมันจะไม่แล้วนะเนี่นยว่ะเอาตกลงค่อยไม่แต่งงานใหม่จะอยู่กับลูกโอ้พอนั่นพิกไปแล้วก็ไปเลยนะตายไปเลย เ, ออเงียบเลยดูสิจิตเนี่ยมันติดมันคล้องมันไม่ยอมไปง่ายๆนะมันหลงเนี่ยพอตายแล้วก็ผ่านไป แล้วก็มีอีกคนนึงเออคนนี้เขาเคยบวชชีด้วยสนใจการปฏิบัติเวลาเจอกันเขาจะถามเรื่องปฏิบัติเล่าเรื่องวัดเรื่องว่าถึงจะทำหมากินยังไงเขาก็ยังพยายามที่จะปฏิบัติทำสักประมาณสามทุกเขาอยู่หน้าวัด น, นี้เองแต่ก่อนอยู่อยู่แกงแกงกองเนี้ยเราก็มันยังไงก็ไม่รู้ ก็รู้สึกต้องไปพูดธรรมะโยมคนนี้ฟังแล้ mm hmm. มันนึกขึ้นมาเองนะทั้งกลางคืนเราก็ไม่อยากไปไหนก็เดินลงไปไปบ้านเขาเลยนะตรงไปที่นั่นไปถึงก็กำลังนอนกับสรราวกสายอยูอ่พิกไปพิกมาพิกไปพิชมาแล้วก็ไปยืนยืนแล้วก็บอกว่ายมสติดีดนะเขาก็บอกาาพระมาแล้วอาจารย์มาแล้วโอเคสติก็ดีนะแกเอามือ เอามือไปไปจับผ้าถุงแกะแล้วก่อนตะแคงนะตะแคงค่อยหนีบขาเข้าไปอ่ะเก็บเก็บผ้าถุงอือโอเรียบร้อยเลยนะโยมสติดีดีนะเนี่ยเขาก็นิ่งเลยนะนิ่งเลยโยมตั้งสติแล้วตรงไหนมันเจ็บมันปวดน่ะโยมอย่าปล่อยใจให้ไหลเข้าไปกับมันนะตั้งสติแล้วให้ดูมันเฉยเตั้งใจดูเลยเนี่ย โยมก็จะเป็นคนดูส่วนไอ้เจ็บไอ้ปวดนั่นน่ะมันอยู่ที่ร่างกายมันเป็นเวทนามันเป็นความรู้สึกเนี่ยโยมไม่ให้จิตมันไปไปรับรู้ให้รู้เฉยเฉยโยมทำจิตให้รู้เฉยเฉยเพราะว่าเวทนานั้นมันอยู่ที่ร่างกายจิตเนี่ยมันเป็นผู้รู้มันเป็นธาตุรู้ให้อยู่กับธาตุรู้นะตั้งสติดีนะทำจิตให้เข้มแข็งนะย้อนแอนะอย่าไปคิดว่าความเจ็บความปวดเป็นเรานะเราย้าเข้าไปนะเนี่ย เราไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดมันก็เจ็บปวดเห็นไหมเนี่ยมันป่วยมันไข่เนี่ ย, ย, ย, เ, ยเราต้องรักษามันเยียวยามันเนี่ยเป็นภาระมากโยมเคยบวชทีมาแล้วอย่าอ่อนแอนะเอาประโยชน์ให้ได้เนี่ยตั้งสติดีเลยเราก็พูดเสียงดังเอยนะยืนพูดเนี่ยโอเกนิ่งเลยนะที่เคยกระซับกระสายพิชไปพิกมาตั้งแต่กลางวันมาแล้วเงียบ ดูสิจิตน่ะจิตอะมันเข้มแข็งแล้วมันรู้แล้วมันส่องดูเลยเนียจิตเนี่ยทันถึงว่าถ้าสติมันมีกําลังเนี่ยมันจะควบคุมจิตแล้วจิตเนี่ยมันจะมาอยู่กับจิตจิตจะอยู่ตามลําพังได้แล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้จิตเรามันจะไปรู้เองนะมันรู้แต่ว่าจิตไม่กังวลไม่หวั่นไหวจิตไม่ปรุงไม่แต่งเนี่ยมันรู้โดยจิตมันรู้รู้แล้วมันก็อยู่กับ อยู่กับจิตเฉยๆอะ่ะพอจิตมันเฉยได้จิตมันนิ่งได้ไ อ, ไอ้สิ่งสิ่งอื่นก็เป็นถูกรู้ไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราแล้วจิตเป็นผู้รู้อย่างอื่นเป็นสิ่งถูกรู้เท่านั้นเองเนี่ยมันก็มีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ไอ้เวทนาที่มันกําลังเกิดอยู่ที่แรกมันบีบบีบมันก็เจ็บปวดไอ้ถ้าเราไปยึดมันก็เป็นเราเจ็บเราปวดกระสับกระส่ายแต่พอตั้งสติขึ้นมาปับ๊บเนี่ย ของมันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นมันไม่ใช่เราเนี่ยมันอยากเกิดเกิดไปแต่ใจเนี่ยให้มาอยู่กับใจใจมาดูใจหรือเอาหลักของพระพุทธเจ้าอ่ะไม่ยินดีไม่ยินไลมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไลในโลกนี้เสียให้ได้แค่นี้มันก็เห็นสิ ว, ว่าเวทนาไม่ใช่ของเรามันก็มาอยู่กับจิตอพอมันวางได้มันก็มาอยู่กับจิตมันก็รู้รู้รู้ถ้าจิตนี้กําลังมันมาดูจิตเลย จิตก็ไม่ใช่เราด้วยจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอธิบายให้แกฟังแกกันแน่วเราก็อธิบายได้พอสมควรก็ดูแกนะดูกาอธิบายวนไปวนมาเรื่องเก่าเรื่องเวทนาเพราะรู้ว่าแกเจ็บปวดแล้วก็เรื่องสติรักษาจิตไว้ให้ไม่ให้ให้มาดูเนี่ยถวิทยานามาถ้าหากว่า อยู่กับจิตไม่ได้มันไปดูก็ดูบันแต่ดูด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรามันอยู่ที่ร่างกายพอจิตนี่มันดูด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อวางนะเนี่ยมันตัวปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยแล้วสติมีกําลังขึ้นมาเมื่อไหร่สมาธิมีกําลังเมื่อไหร่มันถอยออกมาอีกอืมันถอยเข้ามาในจิตนี่มันนี่แหละเรียกวันปล่อยวางมันรู้จักแต่ปล่อยวางได้ได้เล็กน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยอันนี้แหละที่ท่านว่า ทำย่อยขอยสู่ทำใหญ่หมายว่ามันเห็นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติอันนึงเนี่ยมันเป็นเวทนาขันปองแห่งเวทนามันไม่ใช่เราเด็ดขาดเนี่ยรูปประคันกับกองแห่งรูปพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเรานะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่ท่านว่าเป็นรูปประคันกองแห่งรูปหลายๆรูปมารวมกันเนี่ย่ทีนี้พอนั่งนานมีเวทนาขึ้นมามันก็เป็นเวทนาขัน เนี่ยกองแห่งเวทานามันก็เกิดอยู่ที่ร่างกายนุน ม, มันก็เลยไม่มีอะไรเป็นเรานะออันหนึ่งก้กองกองแห่งลูกกองแห่งเวทานาเนี่ยบางทีมันมันมันนึกอะไรขึ้นมาก็กองแห่งสัญญาเนี่ยเราก็ไปหลงวาเรานึกกันน้นนึกอันนี้นึกดีนึกไม่ดีก็กลายปเป็นเราไปมันก็เดือดร้อนเนี่ยเพราะนั้นเห็นมันเนี่ยกองแห่งสังขารโอ้ยสิ่งปรุงแต่งก็รู้อยู่แล้วสังขารนี่ของปรุงแต่งมันปรุงแต่งขึ้นมาสังขาระขัน กองแห่งสังขารแต่สังขารนี่มันก็บางทีเขาก็หมายถึงว่าไอ้ไอ้สิ่งปรแต่งทั้งหมดเน่ยเป็นสังขารหลังกายก็เป็นสังขารบ้านเรือนเป็นสังขารต้นไม้ภูเขาก็สังขารหมดเนี่ยบางทีเพราะว่าศัพท์มันมันมันมีน้อยเนี่ยแต่ว่าถ้าว่าเรามาพูดในแง่ของขันห้าแล้วมันสังขารละขันเนี่ยหมายถึงไอ้สิ่งที่มาใาศาจิตเกิดอาใัยจิตดับอมืมันไม่ใช่จิตน่ะ ถ้าว่าเราเห็นชัดๆนี dai, ่มันเกิดดับมันเป็นแค่เหมือนกับอาการของจิตเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับมันก็เหมือนอาการของจิตนี่ถ้าว่าเราเห็นมันเกิดดับเราไม่ไปยึดมันนี่มันก็เบาไปเรื่อยที่นี่เบาไปเรื่อยต่อมามันก็ดูเฉยๆได้ดูเฉยๆดูแบบรู้รู้ความจริงไปด้วยดูไปด้วยอย่างนี้เลยก็เรียกปัญญาาณ นี่ราวิปาาัสนาญาณรู้ด้วยปัญญาจักขุรู้ด้วยตัวปัญญาเห็นเข้าใจเพราะนั้นบางทีก็ดูลูกบางทีก็ดูเวทนาดูสัญญาสังขารตัววิญญาณก็คือรู้อารมณ์รู้แจ้งรู้แจ้งในอารมณ์เนี่ยมันรู้รู้อันนี้คือเป็นเวทนามันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็รู้เนี่ยตัววิญญาณนั้นที่ไปรู้ ไม่ใช่เราอะไรนี่เราเจ็บเราเจ็บเราเจ็บมึงก็อยากเลิกอยากถอยอยากขยับสิ้ว่ามันเอ้ยวิญญาณเป็นตัวรู้น่ะมันทําหน้าที่รู้แจ้งมันก็รู้แจ้งอารมณ์มันรู้มันรู้ ร, รู้รู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดตัวไปยึดนี่นั่นแหละตัวอุปาทานที่ผู้เจ้าสอนให้ละต้องมละอุปาทานอุปท า, านว่าเป็นเราเจ็บว่าเราปวดนี่ มีตัวเราเกิดขึ้นมาละอุปาทานรู้ทันแล้วมันก็ละเองละเองจิตมันก็โอเบิกบานสิทีนี้โอ้มันเห็นความจริงแล้วเนี่ยเห็นสัจธรรมเนี่ยสัจธรรมคือความจริงเห็นย่อยๆไว้ก่อนถ้า ม, มีกำลังเมื่อไหร่ประหารกิเลสได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เห็นบ้างแล้วโอ้ต้องพอใจเลยนะเนี่ยเห็นสัจธรรมเห็นความจริงแล้ว พอทำย่อยๆทำย่อยๆขอยสุดทำใหญ่ทำย่อยๆคืออะไรก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดเองดับเองเห็นว่ามันอยู่ของมันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นหลงว่าเป็นเราเนะเห็นว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดแล้วต้องดับนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงไอ้ที่ว่าทุกข์ก็แปลว่าทนไในยากที่เราทุกข์ก็คือมันทนในยาก มันไม่ค่อยสบายมันทนได้ยากถ้าสุขด้วยมันทนได้ง่ายเนี่ยคนก็เลยว่าว่าชอบสุขก็ไปยึดอีกแบบนึ่งนะชอบก็ไปยึดยินดีไม่ชอบยินร้ายเนี่มันก็เลยยินดียินร้ายอยู่อย่างนั้นนะ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าสอนอยังไงให้ให้มัชิมาปฏิปทาให้เป็นกลางๆไว้เนี่ยคือให้ให้ถ้าหามรู้ว่าเออทุกอย่างไปจากจิตทุกมีก็เพราะว่าจิตเราไปยึด จิตไปรุ่มไปหลงอย่างนี้มันจะคายออกวางนี่แหละการปฏิบัตินมันมีเป้าหมายนะเป้าหมายเพื่อให้จิตเรารู้ความจริงรู้ความจริงแล้วมันค่อยปล่อยค่อยวางไปนั่นเพราะฉะนั้นจริงต้องมีสติเริ่มโดยมีสติรู้ตัวไหมตอนนี้เรารู้ตัวไหมรู้แล้วกําลังดูอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยให้มันรู้ให้มันรู้คนบริกรรมก็บริกรรมคนดูเฉยๆก็ดูเฉยๆได้ ไม่ต้องไปว่าถึงแม้ว่าจะฟังไปเราเข้าใจเราเรายังไม่ถึงเราก็ยังทำไม่ได้ทําไม่ได้ก็แล้วไปสิเี๋ยไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วก็อูอยากอยากให้มันเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องมีความอยากแค่รู้ว่าเออแผนที่เป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราถึงไหนจิตของเราถึงไหนจิตกำลังทําอะไรอยู่นะอันนี้มันเป็นเฉพาะตนนะเนี่ย บางคนก็บริกรรมบางคน ก, กาลังกับกับจิตอยู่บางคนก็เข้าใจมีความเข้าใจแล้วก็จิตอยู่กับจิตก็มีเนี่ยอยู่กับกายก็มีอยู่กับเวทนาก็มีนี่อย่างน้อยก็มีสติอยู่กับตัวเองรู้ตัวขึ้นมาคอยดูตัวเองต่อไปนะเตรียมตัวตั้งสติเป็นโอกาสสุดท้ายนะ ให้เราเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆนะรู้อยู่เฉยๆนะพยายามให้จิตเป็น ก, นกลางๆจิตเป็นปกติม่ให้จิตไปหลงยินดียินร้ายหลักควรเป็นอย่างเนี้ยให้รู้อยู่รู้รู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่จิตบางทีมันก็ดูเวทนาดูเวทนาเนี่ยบางทีก็ รู้เจ็บรู้วปวดอันนี้ก็เป็นเองบางทีเจ็บปวดก็รู้แต่ว่ามาดูจิตเนี่ยมุมมองมันมันมาดูจิตบางที ด, ดูดูเวทนาแล้วก็วางแล้วก็มาดูจิตบางทีดูเวทนาเวทนามันแรงความมันก็ดึงจิตไปจิตก็สู้สู้แล้วก็อบรมจิตไปด้วยรู้ว่าไม่ใช่ของเราดูไปก่อน รอจนเวลาจิตมีกำลังแล้วมก็วางได้อีกมันยังวางไม่ได้ก็ต้องอดทนแล้วก็สอนถือว่การสอนตัวเองนี่เราวมมีปัญญาเกิดขึ้นมันเริ่มที่จะสอนตัวเองให้เข้าใจบางทีก็วางได้บางทีก็วางไม่ได้บางทีก็วิทยาเบามันก็มาดูกายเสียดูว่าร่างกายนั่งอยู่นี่ก็สลับไปสลับมานะบางทีก็ดูจิต ดูจิตบางทีดูว่าเาจิตเป็นยังไงมันเฉยก็รู้มันมันสบายก็รู้มันนิ่งก็รู้อันนี้คือมาดูจิตแล้วเนี่ยบางทีมันเวทนาแต่ว่ามันไม่ได้ดูไม่ได้ไปสนใจเวทนาแต่สนใจจิตเนี่ยกายก็เหมือนกันลมก็เหมือนการดูลมบางทีก็ลมชั้นลมยาวลมแคบลมกว้า ลมใหญ่ลมเล็กมันก็รู้บางทีมันไม่สนใจลมหรอกมันก็มาสนใจจิตว่าจิตเรานิ่งจิตเราเฉยบางทีก็ไปดูเวทนาอีกหมุนไปหมุนมาแต่รู้ความจริงแล้วมันวางได้กันเรียกว่าดูธรรมเนี่ยเป็นธรรมเอาเตรียมตัวนะสอนตัวเองนะวันนี้จิตเราอยู่ยังไงนะให้รู้ตัวเนี่ยแล้วก็ให้พอใจว่าเราได้ปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ในผลแค่ไหนเพียงไรก็นี่ละเราได้ทําหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ของพุทธมามะกะผู้ที่ปฏิญาณตนว่าจะมีพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ได้มาปฏิบัติก็ให้พอใจผลเป็นยังไงก็พอใจแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะพยายามมีสติทุกเรียบหม เนี่ยก็ย้ำกับตัวเองข้าพเจ้าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดไปข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ ธ, ธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวตาสงสารด้วยเถิดแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญ ความ อ, อนาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอํานาจผสมจงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อของแม่สามีพัญญาลูกปีน้องของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในวัดแห่งนี้ในบริเวณที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ตลอดจนให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านในเลื่อนในที่ทํางานร้านค้าไรนาสวนที่ดินในสมบัติประสถานของข้าพเจ้าให้แกดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิเมื่อรับอบุญแล้วต้องการสิ่งใดให้สมความปรารถนาะด้วยอํานาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าไดอุทิศแห่งแล้วนี้ เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกื้อนนข้าพเจ้าทำสิ่งใดมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญงูเรืองให้ยิ่งขึ้นไปได้เถิดข้าพเจ้าจะมันทำบุญแล้วกอุทิศบุญไปให้เรื่อยๆไ ป, ไปเอาวันนี้พอแค่นี้นะได้ที่พักกันหมดแล้วเนาะพอพักได้เออ ที่พกก็เอาพอได้อาศัยอะได้ฝึกจิตฝึกใจได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอันเนี้ยสำคัญถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะชีวิตเนี่ยเหมือนชาวโลกเขาทําหากินไปหลงไปไม่เข้าใจหวังจะมีความสุขแต่หวังจะให้ได้เงินมากๆไม่มีความสุขได้บ้านได้เรือนได้รถยน หวังแต่คิดแต่ไปข้างหน้าว่าทําได้นู่นได้นี่แล้วจะมีความสุขได้มาแล้วก็บางทีมันก็ทุกเพิ่มขึ้นอีกได้แล้วก็อยากได้มากอีกอยากได้อันใหม่ไปเรื่อยพอไม่เป็นหรอกนอกจากว่าเออเอาจิตเรามารู้ความจริงดีกว่าแล้วมันจะเบาลงไปเองมันก็อยู่ได้อยู่ด้วยความเข้าใจมาสุดท้ายเออมันก็ต้องแตกดับสลายไป การเวียนว่ายตายเกิดนอะถ้ามันเข้าใจมันก็ดีขึ้นถ้าเราหลงผิดอยู่อยงี้เหรไม่รู้กี่พบกี่ชาติถ้าเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนนี่แหละมันเริ่มมันมันจะไม่ค่อยหลงตัวเองอ่ะไม่ค่อยปล่อยค่อยวางวางแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทิ้งนู่นทิ้งนี่นะไม่ใช่ถ้ามันจิต ป, ปล่อยวางแล้วมีเงินยิงสบายเอามาใช้ประโยชน์ มีบ้านมีเรือนก็ออาศัยแต่ใจไม่ไปยดึดไม่เป็นทุกข์กับพวกนี้อยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจกรรมะของพระพุทธเจ้า สามพุทธสารตราตรชโดยพระองค์